ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงทำเรื่องค่าของคนแสดงโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่18กันยายนพุทธศก 27, นะักราช2527ณพุทธสถานสันติอโศกเขาเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณนะบัดนี้ เป็นความประสงค์ของอาตมาอย่างแรงนะอาตมารุนให้แรงเขาว่าอาตมารุนแรงนะถูกแล้วเพราะอาตมาต้องรุนต้องดันกันให้แรงทีเดียวเพื่อที่จะดุลกันไปสุดอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่มันมักน้อยสะดดทวงดุลสังคมซึ่งสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันมากๆเนี่ยมันมากๆมั ก, กใหญ่มกักโตหลงใหญ่หลงโตเขาโฆษณาหมอมา ก, กัน มีแต่ต้องการใหญ่โตรู้ราฟู่มฟ้าคมเบงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่านิยมเป็นค่านิยมของสังคมหลงใหญ่ลงโตหลงมากลงไมยเสร็จแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าไปนในทางที่จะต้องกอบโกยแย่งชิงเอามากเอาไมาเา้เห้ล้นล้ น, ลนเหลือเหลือแลคนที่มีสมรรถภาพคนที่มีความสามารถมากกว่าก็เอาเปรียบอารัฐเอามากเพราะว่าถือว่านั่นเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตชีวิตจะประสบผลสำเร็จก็ต้องจะมีมากมากไม้ มีใหญ่ๆโตโตมีหรูหราฟุ่มเฟือเบ่งขมคนอื่นได้อวดอ้างนี่เป็นความสําเร็จของชีวิตขานิยมเขาเป็นอย่างนี้ธรรมดาซึ่งพวกคุณก็รู้ดีเป็นสา ม, มัญอยู่แล้วไม่ใช่แต่จะพาะประเทศไทยทั่วโลกเข้าใจอย่างนี้กันทั่วโลกมนุษย์นี่เป็นสา ม, มัญธรรมดาโลกียธรรมเพราะฉะนั้นโลกียธรรมว่าครอบงาําำในลาบยศสันเสริญโลกียศนี่เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดมาทวงดุลแล้วก็มา หาความจริงจนพบความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของความสุขไม่ใช่เรื่องของความสําเร็จความสําเร็จแค่นี้น่ยมันเป็นเรื่องของชาวชนที่ยังไม่ใช่อริยกษ์ยังไม่ใช่ชาวชนฉลาดมันเป็นแต่เพียงมิละขะอยู่นั่นเองนะเป็นชาวชนมิละขะมิละขะไม่ะะมใช่ชื่อสัตว์นะเดริฉานนสัตว์สัตว์เดริชา น, น ส, ส, สัตว์ในตระกูลพวก เดรัจฉานจริงๆนั่นๆมัพูดไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่ฉลาดทีนี้เขานึกว่าเขาฉลาดเปล่าเขาดีกว่าเดรัจฉานขึ้นมาแค่เป็นชาวชนมิละขะก็คือชาวชนที่ยังอัปมาหิตโหดร้ายมีละขะนี่คือชาวชนอัปมหิตโหดร้ายยังไม่ได้มีสันติภาพไม่ได้มีเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ยังไม่ใช่อริยกะยังไม่ใช่ชาวชนฉลาดที่แท้พระพุทธเจ้าเร า, ร า, รเราเนี่ต้องนับถือเป็นต้นเผาอริยกะ เป็นผู้ที่ประสบความเป็นอริยะสุดยอดเป็นอริยะเป็นอาริยชนเป็นชนพัฒนาที่สุดยอดเพราะฉนั้นจะบอกว่าเรามีจิตใจมีพฤติกรรมมีความจริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ามีธรรมจริยาเหมือนพระพุทธเจ้าจริงแล้วแล้วก็คนในโลกนี่มันไม่ทุกข์ร้อนหรอกมันสันติภาพภาราดรภาพอิสระเสรีภาพมันอยู่กันอย่างมีสมรรถภาพอย่างสมบูรณ์อย่างบูรณภาพที่ดีแน่นอน อาตมาว่าอาตมาเข้าใจถูกนะอาตมามั่นใจว่าอาตมาเข้าใจถูกว่ามันจะต้องเป็นความสุขเย็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนเราก็ได้เอามาพิสูจน์อาตมาเอาทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาให้พวกคุณพิสูจน์นี่ก็ได้พิสูจน์กันขึ้นมาอาตมาเมื่อกี้นี้ใครพูดอยู่ในโรงพิมพ์เนี่ยเขาคุยให้ฟังคุณทิพย์หรือไงที่กมาร์ททิพเทวีหรือไงพูดว่า พวกเฮรกิสณานะ่ยที่เข้ามาที่นี่กันน่ะก็คุยคุยกันนะพวกนั้นเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยเขามาอย่างนี้แลยเขาพบที่ดีแล้วเขาบอกว่าชีวิตของเขานี่ล้มเหลวทั้งโลก mm hmm. เขาก็เลยมาที่อยู่กับเฮรกิษณาเนี่ยเขบอกว่าเขาประสบประสบสภาพที่พอใจล้ทีนี้ทางเราเนี่ก็บอกกับเขาไปบอกว่าแต่พุทธศาสนานี่ไม่ใช่ชีวิตที่ล้มเหลว อ, อย่างนั้นนะ พุทธศาสนาเนี่เรารู้แล้วว่าแม้แต่ในโลกเราก็ไม่ได้ล้มเหลวเราชนะในโลกแต่ว่านี่มันชนะยิ่งกว่าชนะโลกอีกที่เราเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยมันชนะไอ้โลกเราก็ไม่ได้ล้มเหลวอะไรเราไม่ได้ล้มเหลวในทางโลกไม่ได้ล้มเหลวกับสังคมไม่ได้ล้มเหลวเลยเขาก็รู้สึกว่ามัคนคงจะได้คิดถ้าเผื่อว่าเขามีปฏิพัณธ์และของเราจริงอย่างที่กล่าวนี้ไหมจริงอย่างที่กล่าวนี้ไหม คือเราไม่ได้เป็นพวกที่ล้มเหลวในที่นั้นแล้วก็ไปสู่ที่นี้ไม่ใช่นะเราพัฒนาต่างหากนี่ถึงเรียกว่าเป็นอริยกะเป็นชาวอริยชนเป็นชนที่ก้าวหน้าพัฒนาจเจริญขึ้นเรื่อย ๆ, ๆตามขั้นตอนระดับการที่เราไม่มีเงินทองสลัเงินทองเข้าของไม่สะสมออกไปนี่ไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเราไร้สมรรถภาพไม่ได้หมายความว่าเราสู้ชาวโลกไม่ได้ไม่ใช่เลย ฟังดีๆแล้วเราจะเข้าใจขั้นตอนอย่างไม่สับสนจะได้รู้บางคนอาจจะไม่ได้ไปพิสูจน์หรอกว่าเราเองเราต้องไปทำมาหากินแข็งโลกเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเราได้เงินทองเข้าของลาบยศมาเหนือชั้นก่อนแล้วเราถึงจะลาออกจากตรงโน้นแล้วเข้ามาเดื่อนชั้นมาหาตรงนี้บางคนไม่ได้ไปหรอกและเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวไห ล, อ, หลอะไรเกินการเขาก็ทําเข้าไปแต่ว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องไปพิสูจน์ถึงปานนั้นก็เข้าใจแล้วเขาก็มาทางนี้เลย แต่กนก็สะสมเหมือนกันก็สะสมไปสะสมไปจะเอาลาบเอายศอะไรให้รู้ราฟุฟ่ามนอนยางโลกที่เขาเป็นอยู่เสพโลกี้จะสุขที่เขาหลอกได้มากก็มาเทดิบัมบัดกิเลสตัวเองที่เป็นโลกี้ที่เขาหลอกว่าอย่าง ง, ง, งี้ต้องสุขอย่างนั้นต้องสุขอย่างงี้อย่างโลกโล ก, โลกียจะสุขก็รู้แล้วว่าเออมันก็ไม่ต้องอะพาดชั้นเลยทิ้งไม่ต้องไปเสพไปสุขอะไรพวกนั้นน่ะหนี้มาเลยมาเอาทั้งนี้เลย ด้วยความเข้าใจเดือดปัญญาก็มาเอามาเป็นพุทธิขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เหมือนก็อยู่ทั้งโลกนี่ขยันกว่าขึ้นด้วยว่าเราจะเห็นได้พวกเราแต่ก่อนอยู่ทั้งโลกนี่เราขี้เกียจกว่านี้นะแต่มีเหมือนกันบางคนซ่อนๆแฝงแฝงอยูนะ่อยู่ทั้งโลกถูกเขาเอาลาบยศสันเสริญเป็นอามิตรล่ออ่อยให้ขยนันก็ขยันพอสมควรพอมาทางนี้แล้วเอเราก็ไม่แย่งหรือชิงอะไรแ ล, แล้วก็ชักเบี่ยว โดยชักจะขยันน้อยกว่าที่ควรแต่ก่อนนี่ยังขยันกว่านี้เดี๋ยวนี้ก็ซุบซนซ่อ น, อนแฝงขยันน้อยกว่านั่นยังไม่ถูกต้องยังบกพร่องอยู่นะ่ะยังผิดเพี้ยนมันก็ต้องรู้ต้องรู้ว่าเราไม่ได้มาเพื่อหลบซ่อนเราไม่ได้มาเพื่อทําให้ตัวเองเสื่อมลงจากความเคยขยนันแต่ขยันน้อยลงมันคืออะไรความขยันมันเป็นความเร็วเหรอความขี้เกียจตั้งหาเป็นความเร็วความหลบลี้หลีเลี่ยง เลียงงานอะไรอย่างเงี้ยต้องหักเป็นความเร็วไม่ไปขยันมันเพียนขนขวายอุตสาหะเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียนไปทำได้ก็ทำต่ออะไรอย่างนี้ต้งหักเราเป็นความดีอาตมาผิดตรงไหนที่พูดนี่ผิดตรงไหนที่พูดพูดอยู่นี่มันผิดตรงไหนถ้าผิดเถียงมาเลยใครแน่จริงเถียงมาที่อาตมากาลังพูดนี่บกผิดนะมันไม่ผิดนะ มันเป็นเรื่องลักษณะของมันที่เราเองไม่ต้องไปใช้คนฉลาดอะไรนักหนานี่นะมันก็รู้เป็นแต่เพียงมาเรียบเรียงให้ดูดชัดไม่สับสนมันก็เห็นแจ้งแล้วเห็นชัดแล้วอาตมาเขาพยายามเรียบเรียงให้เห็นชัดเจนไม่สับสนอะไรไม่ใช่เรื่องโม่โมมุดมุดเมาเมาอะไรนี่เปนเรื่องกระจ่างเรื่องชัดเจนนะงั้นพวกเราก็มาเป็นคนขยนันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วไม่ได้เป็นทาสนําเงินไม่ได้เป็นทาสลายดยศไม่ได้เป็นทาสันเสริญเยนินยอ เขาต้องยกยอยกจ้องซะก่อนยิ่งกวนเด็กต้องย่องยกจ้องซะก่อนนึกค่อยมีกรจิกระใจทําโอ้ยอหนูเก่งจริงหนูเก่งจริงทําตายเลยนะเอนี่มันเรื่องเด็กๆเราโตแล้วจะต้องให้เข้ามายกจ้องทําไมมต้องมาสันเสริญยกยอทําไมนักหนานี่อริยกะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเป็นคนที่มีบุธิภาวะมีความโตมีความเจริญแม้อายุจะยังน้อยก็มีวุฒิภาวะสูงส่วนทั้งโลกนี่มัน มาทารกหัวงอกก็เยอะทั้งโลกไม่รู้ไม่มีวุฒิภาวะเป็นทารกหัวงอกยิ่งหัวงอกยิ่งแก่ไปก็ยิ่งงมงายยิ่งหลงลาบยศสรบเสริญโลกียสุขเขาหลอกอะไรก็หลงงมงายไปไม่ใช่อริยกะไม่ใช่ชาวอริยชนเป็นพวกที่งม ง, งายที่ถูกเขามอมเมาแล้วก็ไปเทดรวุ่นวายกินก็ยูน ถ้ากินทั้งอยู่นะทั้งกินทั้งเป็นอยู่อยู่ยากเป็นคนเลี้ยงยากกลายไปยิ่งแก่ยิ่งเลี้ยงยากโอ้จะกินในนุ่นจะนอนอย่างนี้จะนั่งอย่างงอนจะไปเงื่อโอ้ยิ่งแก่ก็ยิ่งยากนั่นแหละพวกตารคหัวงอกไม่ได้เจริญตามวัยวัยแก่มันควรจะฉลาดเฉลียวศึกษาอะไรเพิ่มขึ้นเอ้ามันยิ่งแย่เขาไปใหญ่แล้วยิ่งแก่ไปยิ่งเป็นภาระยิ่งแก่ไปยิ่งยุ่งมันยิ่งยากมันนี่แหละพวกทาโรคหัวงอกมันไม่มีวุฒิภาวะ ไม่มีความเจริญไม่มีภาวะความเจริญวุฒิแปลว่าความเจริญมันไม่เจริญจริงแต่ของทางเราเนี่ยเจริญจริงแม้จะคนแก่ก็ต้องมีวุฒิภาวะจะคนหนุ่มคนสาวเขามีวุฒิภาวะตามอริยะอริยคุณตามความฉลาดตามความเจริญที่แท้จริงเป็นอริยกะศอริยกะไม่เป็นคานามเป็นคนเจริญอริยกาศแปลว่าคนเจริญอริยกศเป็นคานามเป็นผู้เจริญเป็นคนเจริญ ส่วนอริยเป็นคากริยาเป็นความฉลาดเป็นลักษณะฉลาดนะอริยลักษณะอริยอริยคุณก็เป็นคํานำเป็นสภาพของความฉลาดสภาพของความเจริญเมื่อเราได้มาศึกษามาได้ฝึกตนเข้าไปสู่ความจริงมันรู้รู้แล้วเราก็ทำตามทฤษฎีที่รู้ปฏิบัติประพฤติจนตัวเราเองเป็นได้เป็นจริงเป็นคนที่เสียสละเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรเป็นคนที่มีความสุข ไม่ทุกเราไม่ริษยาคนมีลาบมากไม่ได้ริษยาคนมียศไม่ริษยาคนที่ได้รับการสันเสริญเยินยอปอปั้นเราก็รู้ไม่ใช่เราไม่รู้คนได้รับคําสันเสริญคนดีถ้าเป็นการสันเสริญที่ถูกต้องคนนี้ทําดีก็ได้รับคําสันเสริญก็ดีนี่ไม่ใช่ไปป่อยอกันแกล้งเสแส้งลุงแหมสันเสริญเยินยอกันไม่เคารงของเราไอเยเบียวเผิดผเพี้ยนเพียนก็ไปแกล้งยอกันอ มาแกล้งยอฉันว่าฉันเป็นดวงจันทร์อยู่นั่นเนี่ยมันก็ไม่เข้าเรื่องทําให้แกล้งยอไม่แกล้งมาพ่อยออะไรกันเป็นความจริงที่เขาทําดีจริงก็เอาดีแล้วเรายังสอนสูงซ้อนกข้ไปกว่านนั้นอีกว่าแม้เราได้รับคําสรนเสริญเยินยอแล้วเราก็อย่าไปหลงคงําเยนยอถ้าจริงก็จบกันที่จริงเออจริงเขายอเราถูกไม่เกินไปที่จริงเราดีห้าเขายอเราแปด อย่งนี้ก็บอกว่านี่ยอเกินไปนหน่อยแล้วก็รู้ว่านี่คนนี้ยอเกินจะมาไม้ไหนนะน่ยก็ต้องดูแลเล่นยอเกินจริงแม้เราจะดีสัก5้าตีราคานะเอาตัวเลขไว้เป็นเครื่องวัดเนี่ยเราดีขนาด5้าเขาไม่ยอเราสาก็น้อยใจโง่จะเป็นน้อยใจทําไมเราเขาจะยอสามก็ชังเขาเป็นไรก็เราดีห้ามันก็จริงแล้วเราจะดี5้าเขายอสามก็ไม่เป็นไร ระวางังเราดีห้าเขายอแผลแล้วทําเป็นปึงอะฮะทาเป็นเกินเลยนะดีแค่ห้าเขายอแผลแล้วเรานึกว่าตัวจริงฉันแน่และหลงเนี่ยอะไรเราก็ห ล, ลงหลงความจริงไ อ, อ้ยัางนี้ราวาะวังกันแล้วกันและแม่เขาจะยอเราไม่ครบครันตามจริงก็ไม่น่าจะไปเสียใจน้อยใจอะไรเขาจะยอเราแค่สามแม่เราจะดีห้าก็ไม่แปลกเพราะเราไม่ได้ทำเป็นทำมาเป็นคนเพื่อที่จะล่าลาบล่ายศล่า เสียงสันเสริญเย น, นยอมอะไรเราเรามีทฤษฎีเรามีหลักการอยู่แล้วในศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้มาเป็นาธาตุโลกียะหรือโลกธรรมแปดมาหลงลาบหลงยศหลงสันเสริญและก็ไม่ได้มาหลงโลกีสุขชัดเจนเราจะต้องโลกีสุขคืออะไรก็พยายามลดโลกีสุขนี่แหลมาความสุขทางโลกสุขคณิกะหรือโลกีสุข หลอกๆเรามารู้จริงลรละลดเลิกล้างออกมาเราจะเห็นได้ความสุขมันไม่ใช่นั่นหรอกความสุขสงบไม่ต้องเป็นอยากไม่ต้องบําบัดไม่ต้องบำเรอความอยากนั่นต่างหากเป็นความสุขวูปโสมโมสุขนี่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเราสอนให้ได้รับความสุขแบบสงบประณับไม่ต้องไปอยากแล้วบำบุงบําเรอบําบัดไอ้สุขอย่างนั้นน่โลกียะเขารู้มาแล้วเขาเสพมาแล้วเราก็เคยหลงมาแล้วหยุดทีที เมื่อยทีพอทีทหัดหยุดหัดเลิกมาเมื่อผู้ใดหัดหยุดหัดเลิกมาได้จริงก็จะพิสูจน์ได้จริงว่าพระพุทธเจ้าได้สอนทฤษฎีที่จริงเมื่อเลิกมาได้แล้วเบาสบายว่างดีไหมไม่ต้องมาคอยเป็นภาระต้องคอยบำเรอตนบำรุงตนบำบัดตนจริงมันอยากอยากน่อนอยากนี่ตั้งแต่ลาบก็ดียศก็ดีสันเสริก็ดีเพรามันสร้างสรรค์ไปโดยไม่ต้องมีลาบแลกเปลี่ยนมาเราก็สุขแล้วเพราะเราจับเป้าตัวความดีได้ กรรมคือความคือการกระทําคือบทบาทพฤติกรรมคือบทบาทของตัวเราเมื่อเราแสดงพฤติกรรมไม่ต้องแสดงแนละ้วทาจริงนี่แหละทําออกไปแล้วเป็นพฤติกรรมที่เป็นกุศ ล, ลกรรมเป็นการกระทําที่เป็นกุศลดีจริงไหมดีจริงแล้วจบในตัวมันแล้วมันเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์มันก็เป็นแล้วไม่ต้องเอาอะไรแลกมาเลยมันก็เป็นคุณค่าคงความเป็นค่าอยู่ถ้าเอาไปแลกแล้วสร้างหรือเราผลิตอะไรออกมาร้อยนึง เอาไปแลกกลับคืนมาร้อยก็เจ้าแล้วว่ะทีก็คุณเป็นแลกเอาค่าอะไรมันคืนมาลอยแล้วมันก็เจ้าคุณก็ไม่ไม่ได้ชื่อว่าคุณมีค่าอยู่ในโลกในสังคมเพราะคุณไปเอาแลกสิ่งแทนกลับมาแล้วแต่ถ้าเบอกว่าร้อย เ, เป็นแลกมา90สบมันก็ยังเหลือคุณค่าอยู่บางสักสิบนั่นเป็นกําไรหรือเป็นคุณค่าประโยชน์ของคุณชื่อว่าคุณมีประโยชน์ได้อยู่เท่านั้นแลกมา80สิบก็ยังดีก็ยังได้มีคุณค่าสูงขึ้นมาอีกเป็น20สิบ แลกกลับคืนมาเจก็ได้กําไรขึ้นไปเรื่อยๆหรือเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์่ในสังคมเราก็เป็นมนุษย์มีค่าไม่งั้นเรามีแตเ่เป็นมนุษย์เจ้ากับมนุษย์เจงมนุษย์เจงก็คือสร้างอะไรขึ้นมาทําอะไรขึ้นมาค่าของสังคมนี่เขาตีราคากันอยู่เสมอแล้วละโกงมั่งไม่โกงมั่งแล้วแต่เขาก็คิดๆเอาไปตามอย่างนั้นแหละนึ ก, กว่าตัวเองนี่แหมจะต้องตีราคาค่าแรงงานค่าฟีมือค่าสมองของเราสูงนักก่อนแล้วแต่คนจะตี มันใครจะตีก็ตีได้ตีราคาถ้าเราสร้างอะไรขึ้นมาราคาร้อยแล้วเราก็เอาไปแลกเกินร้อยมาอีกตอนนี้เราเจ๊งเมื่อกี้เราอธิบายเจ้าตอนนี้อธิบายเจ๊งซึ่งเราก็พูดซ้ำซากกันนี่แหล ะ, ะเจ๊งเลยยิ่งไปเอาแลกกับคืนมามากเกินกว่าค่าจริงของมันถ้าค่าจริงมันร้อยที่สมดุลตามสังคมร้อยคุณไปเอาเกินมาม า, มากมันก็ยิ่งเจ๊งเท่านั้นยิ่งเป็นนี้เป็นสิ่งคุณไปรีบหรือไปเอาเปรียบเข้ามาทําไม นี่มันต้องมีความรู้ต้องมีความจริงนะแล้ะถ้าคนมีสํานึกมีความจริงมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วทําให้ตรงจริงแล้วนะคนเราก็จะอยู่กันอย่างไม่ต้องมาแย่งชิงก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์คนมีสมรรถภาพดีมีความสามารถมากหลายอย่างทําไม่นู่นก็ได้ทําไม่นี่ก็ได้สร้างสรรค์นูนนน่นนี่ที่เป็นของของดีมีคุณมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติต่อโลกต่อสังคม ก็ทําก็สร้างขึ้นมาเมื่อเราไม่แลกกลับคืนมาเราก็ยิ่งมีค่าเหลือในโลกในสังคมเป็นประโยชน์ชื่อว่าประโยชน์แท้ได้มากเท่านั้นเท่านั้นเ๋ย่าลองฟังดูดีๆเถิานใน ย, ยะพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องลึกซึ้งบ้างเพื่อมาเรียบเรียงให้ดูง่ายไม่สับสนอ่าดูว่าฟังดูก็เข้าใจดีอย่างง่อย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นได้พวกเราได้มาพิสูจน์พวกนี้กันจึงได้มีคนกล้า ล้าที่จะไม่งอลาบไม่งอยดไม่งอสัเสรินเพราะคุณได้ล้างโลกียสุขที่คุณเคยหลงเคยติดมาล้างออกไปได้มากเท่าใดคุณก็ยิ่งอาจหารชานใชเออเราไม่ต้องมีเงินมีทองไว้ซื้อของบำบัดบำเรออารมณ์บำเร อ, อ, รเรอสิ่งที่เราอยากเราติดมันหลงมาเป็นโลกียสุขอยู่คุณก็ยิ่งสบายใหญ่แม้แต่จะได้ลาบมาเป็นสุขคุณก็ไม่ต้องกดดั มันก็เป็นความสบายแล้วเราทําแล้วก็ยิ่งเป็นค่าที่เราไม่ต้องแลกกลับคืนมาไม่ต้องแลกลาบกลับคืนมาคุณก็กล้าเนี่ยจะมานําทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาให้คุณพิสูจน์อธิบายแล้วก็ให้คุณฟังคุณเข้าใจแล้วคุณก็มาพิสูจน์ดูคุณกล้า ก, กันได้เนี่ยหรือคุณโง่ย้อนยําอีเขายิ่งว่าพวกนี้ถูกพระโพธิลักษณ์ล้างสมองแล้วก็มางางางงเงาเงาอะไรก็ดูสิเนี่ยมาใช้ถูกก็ใช้งานฟรี เนี่ยยิ่งทําไปเนี่ยยิ่งสร้างให้เขาฟรีแม้อัตมาได้อะไรกันนักหนาขนาดนี้เนี่ยมาคุณมาสร้างให้อัตมาฟรีเนี่ยตอนนี้อัตมาอยู่ในแบงก์กี่ล้านแล้วเทียบเท่าแมชม้อยยังนะรวยกี่ล้านแล้วหรือว่าไอติคุณทํำมาเนี่ยกับแหมอัตมาก็เอามาแบ่งไปซื้อซ็อกี่อมมั่งไปซื้อไอฟินดูดมั่งไปซื้ออะไรมาบำเดอตนมั่งอะไรอย่างนั้นเหรอต้องไหนที่ไหนเมื่อไหร่ หรือว่ามาเสริมหนุนบรรลังให้อัตมายิ่งใหญ่ให้อัตมาใหญ่หน่อยได้ไหมในฐานะน่จะอัตมารู้จรงิงรู้ก่อนคุณแล้วบอกคุณมาทําตามเนี่ยไอ้นี่มันก็เป็นสัจจะถ้าจะว่ากันแล้วอัตมาจะต้องดังต้องใหญ่เพราะอัตมาเป็นผู้รู้รู้ก่อนคุณแล้วรู้เข้าใจลึกซึ้งอะไรเนี่ยก็ามาสาธยายคุณไป็พิสูจน์คุณก็เออพิสูจน์ความจริงอันนี้คุณก็พอใจแล้วคุณก็นับถืออัตมาคุณยินดีให้อัตมาใหญ่มั้งไหมถ้ามันจะใหญ่งี้ยมันก็คงจะต้องใหญ่มั่งแหละเพราะพระเจ้าท่านใหญ่ก็เพราะท่านใหญ่ในสัจจโดยรงิง แล้วก็ยกยอมยอมไม่ท่านใหญ่เพราะท่านใหญ่จริงถ้าคุณเข้าใจอย่างนั้นอาตมาก็จะต้องใหญ่ไปตามฐานะบ้างจะบอกว่าเสริมบัลลังก์ให้อาตมาใหญ่อาตมาดังถ้าไม่อยากเสริมก็ไปกันละกันอย่ามาเสริมเลยนั่นอะ่ะจะไปทำอยู่ของคุณอยู่ที่ใครในในไหนก็ได้ถ้าเข้าใจว่าแม้ไม่ให้อ่ะอย่างนี้มาเสริมบัลลังก์ของพระโพธิราชจะต้องดังจะต้องใหญ่จะต้องสูงขึ้นที่จริงมันมาเสริมสัจจะความจริงตัางหาอาตมาสาธยายความจริง นำความจริงมาเปิดเผยและให้คุณพิสูจน์เ<ๆ>มื่อคุณก็มาร่วมพิสูจน์มีมวลที่จะพิสูจน์ความจริงนี่จริงขึ้นมีของจริงมีตัวหลักฐานของจริงมากขึ้นดีขึ้นจริงขึ้น <S <S อาตมาก็เป็นผู้ที่พิสูจน์ของจริงนั้นจริงๆและอาตมาก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นของอาตมาด้วยอันนี้เป็นของพระพุทธเจา้าพระพุทธจวเจ้าได้พิสูจน์ความจริงนี่มาอาตมาก็มาพิสูจน์ตามอาตมาก็เห็นว่าจริง อาตมาก็มาให้พวกคุณนี่เป็นคนเหมือนกันมาพิสูจน์เหมือนกันดูสิมันก็ยากขึ้นตามขั้นตอนเหมือนกันแหละและมันก็จริงมันพิสูจน์สัจจะตั้งหากมันไม่ได้พิสูจน์ตัวอาตมาอาตมาก็พิสูจน์คนหนึ่งคุณก็พิสูจน์คนหนึ่งพิสูจน์สัจจะความจริงอันนี้มนเมื่อพวกคุณได้มาพิสูจน์ความจริงนี้อย่างท้าทายโลกเรากาลังท้าทายจะล้มคว่ำ ล้มความโลกกระทำแปดลงไปให้เห็นว่าไอ้โลกกระทำแปไม่ได้ยิ่งใหญ่คนสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นธาตุโลกกระทำแปไม่ต้องเป็นธาตุลาดยศสันเสริญโล ก, กียสุขและจะเป็นคนที่เป็นอริยกะหรือเป็นอารยะจริงไหมเราก็มาพิสูจน์กันจะเป็นอารยะชนแบบนี้เนี่ยซึ่งอัตมายืนยันว่าอารยะชนแบบนี้เป็นอารยะชนเหนือชั้นกว่าอารยะชนที่เขากำลังพูดกันเนี่ย เขาบอกแดนอาริยชนก็คืออย่างนั้นแหะอย่างพวกอเมริกาอย่างพวกญี่ปุ่นเนี่ยอาริยชนเห็นไหมนี่เขาสร้างสรรค์กันร่ํารวยมีมากมีมายมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเยอะแยะแล้วเขาก็สร้างกันได้มากได้มายด้านวัตถุอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาเข้าใจเขาสร้างมากสร้างไายได้จริงแต่เขาสร้างไอ้สิ่งที่เป็นสิ่งคลานเป็นสิ่งมอมเมาอยู่ในนั้นอีกด้วยเท่าใดเขาสามารถรู้ตัวเขาเองมั้งไหม ยกตัวอย่างง่ายๆอย่ า, าสร้างอาวุธมากๆเนี่ยมันเป็นความเจริญจริงหรือในการสร้างอาวุธมากๆเนี่ยมันเป็นการเอาอย่างเดราชาหรือเปล่าเดราชาเ น, นี่นะพระเจ้ายังไม่ปลดเขี้ยวปลดเล็บไม่ปลดพิษอะไรในตัวเดราชาเนก็เพราะมันเป็นเดราชานมันต้องใช้การสู้กับคนอื่นเขาได้เขี้ยวโดวยเล็บได้พิษฆ่ากันแกงกันลงไปมันจึงจะอยู่ได้นั่นเดราชาน แต่เมื่อเรามาเป็นคนแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ปลดแล้วปลดเขี้ยวปลดเล็บปลดพิษอะไรเนี่ยนะขนาดปอมพิษยังไม่มีเลยเหล็กในยังไม่มีเลยถอนออกหมดแล้วเสร็จแล้วเราเราไปสร้างเขี้ยวสร้างเล็บมาใหม่เป็นเขี้ยวดาบหอกปืนผาระเบิดอะไรก็แล้วแต่นี่ยก็คือเขี้ยวเล็บที่มนุษย์สร้างขึ้นมาให้แก่ตนเองเสร็จแล้วก็เอาไอ้เคี้ยวเล็บนี่เราไปทําลายคนอื่นเหมือนอย่างสัตว์คุณไปสูงกว่าสัตว์ตรงไหนได้ยังจะมายกตัวเองว่าอารยะชน จะมายกตัวเองว่าอาริยกะนี่ก็เป็นเหตุผลที่วิเคราะห์ให้ฟังว่าไม่จริงอารยะชนจริงๆมีแต่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงคุณปรีเทนคุณเสแสร้งในการที่จะเกื้อกูลคนอื่นบ้างแต่ซ่อนแฝงไม่สะอาดอัตมาจับได้ที่จริงอัตมานีนจับได้แต่เขาจะไม่ยอมกับเรื่อของเขาว่าเราจับได้แล้วเขาไม่ยอมเขาไม่ได้เสแสร้สงเขาจริงใจก็จริงเท่าที่เขาคิดว่าจริง จริงมันลึกๆกว่านั้นเขาไม่รู้กิเลสของเขาว่าเขาจะเกื้อกูลคนอื่นนั้นไม่ได้เกื้อกูลตรงหรอกมันเกื้อกูลอย่างบุมเมแรงเกื้อกูลที่ยังไม่ไม่ได้สะอาดเกื้อกูลยังหวังผลประโยชน์โค้งงอมาให้แกตนอยู่อย่างหยาบกลางละเอียดขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่เพียวหรอกไม่ได้มาให้คนอื่นยังบริสุทธิ์อะไรหรอกเขารวยเขาสร้าง เรื่องของวัตถุเรื่องของอะไรอะไรเขาได้มากมายก็จริงอันนี้เราก็ยอมรับว่าเขาจริงเขาเก่งแต่ว่าเมื่อเรามีมากแล้วเนี่ยเรารวยในวัตถุที่เราสร้างได้ดีมีความสามารถเราจะเผื่อแผ่คนอื่นเขาเนี่ยในาศาสนาพุทธก็สอนเาเผื่อแผ่โดยบริสุทธิ์ใจไม่ต้องให้ไม่ต้องไปให้โค้งงอมาเป็นประโยชน์อะไรแก่ตนเองให้เขาไปเลยเพราะเรามีมากเนี่ยเราสร้างได้มากเรามีสมรรถภาพมากเกื้อกูลคนที่มีสมรรถภาพน้อยเกื้อกูลไปเลย แน่ไม่ต้อไปหวังอะไรที่เค้ก็จะต้องตอบแทนมานี่เป็นทฤษฎีละเอียดละ อ, อของาศาสนาพุทธที่สอนกันเราก็มาพิสูจน์ใครขยันมันเพียรใครสามารถมากกว่าสร้างคนขยันน้อยหรือว่าคน ส, สมตรตภาพน้อยเอ่ยอย่างน้อยเนี่ยสมตรตภาพแกน้อยเราก็รู้แล้วว่าเราก็ต้องดูแลแกไปแกก็ช่วยได้ขนาดนั้นขนาดนี้ก็ยังดีน่อเอ็นดูส่วนคนบางคนมือกอดดีสมองกดดี ถาดเทอะไรอะไรก็ดีแต่คี้เกียรติเราก็รู้กันไว้ว่าเออคนนี้มันคิดเกียรติมันน่าจะขยันกว่านี้มันน่าจะมีสมรรถภาพมากกว่านี้ก็มันก็ขีดเกียรติมันก็เป็นคนไม่เจริญอยู่นั่นแหละมันก็เป็นตัวทวงมันน่าจะขยันเราก็รู้สัจความจริงเหล่านี้กันแล้วพยายามพยายามที่จะช่วยกันให้ดีขึ้นจะกคิดเกียรติก็ขยันฝึกฝนขึ้นอบรมกันขึ้นแล้วเราก็มาสร้างสรรค์ สักวันหนึ่งเราก็จะมีฝีมือทางเทคโนโลยีเหมือนกันกับอเมริกามีเหมือน ก, นกันกับญี่ปุ่นมีแต่แม้จะไม่ถึงขนาดนั้นเราสามารถที่จะจัดการเรื่องเผาผลาญเรื่องทําลายเนี่ยก่อนให้มากโดยเราไม่เผาผลาญเราไม่ทําลายเราไม่ฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ่มเฟอือยคอมันก็ประหยัดในตัวแล้วมันก็ไม่มันก็อุ ด, ดมอยู่ได้แล้วแม้เราจะไม่มีฝีมือทางเทคโนโลยีสร้างสรรค์ได้มาก เก่งเท่าเขาเราก็มีเหลือเฟือพอเพราะเรารู้จักสาระเรารู้จักประหยัดโดยที่ไม่ต้องทรมานตนเราแทรกซอนออกสักจจะความจริงลงไปว่าไอ้คนนี่มันจะต้องไปผาไปต้องไปเอออารู้ราฟุ่ฟ้าทำลายของให้มากมายเกินไปทำไมเราไปเจาะเอาสัจจะความจริงอันนี้ออกมาได้เราจงกลายเป็นคนที่มีสารถาพอเพียงพอดีสันโดษ และค่อนไปทางมากน้อยที่เห็นเด่นชัดเลยเมื่อไปเทียบกับสังคมโลกที่เขาถือว่าเขาอริยะหรืออารยะชนซึ่งเขาผลานไม่รู้ตัวนั่นแหละนี่แล้วเราเจาะเอาความลึกซึ้งพวกนี้ได้และเราก็มาเป็นมนุษย์อย่างนี้แม้เขาจะมาที่ไดบอกว่าโอ้นี่มันไม่สวยไม่สดไม่งดไม่งามไม่อลังการหรูหราตกแต่งประดับประดามากมายเหมือนอย่างเขาเราจะไปตกใจอะไรเมื่อเรารู้แล้ว เ้าก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่จะประดับประดาเอออาอะไรขึ้นไปนะมันก็ไอ้กิต้องทำมันก็เหน็ดเหนื่อยลงไปอีกแค่นี้เราก็พอแล้วส่วนสมรรถภาพที่เป็นแก่นสารนั้นเรามีไหมถ้าเรามีแล้วอยากจะไปแคร์ทำไมมันจะประดับประดาเออารูราฟูฟ้ามาข่มมาเบงอะไรเราก็จะไปน้อยหน้าน้อยตาอะไรทำไมนี่เป็นสัจจกความจริงที่เราศึกษาตรรดีของพระพุทธเจ้ามาแล้ว เราเข้าใจได้เราก็จับเป้าประเด็นที่สําคัญได้เราต้งเลยเป็นคนอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อเป็นคนอย่างนี้ขึ้นมาได้อัตมาก็เห็นว่าเออมันเป็นสิ่งที่ตามทางกลางเอสังคมค่านิยมโ ล, โลกแบบนั้นนีเรายังมาเป็นอย่างนี้ได้พวกคุณก็มาได้มากเพราะพวกคุณเองไม่ได้บังคับและอัตมา ก, กล้ายืนยันที่สุดว่าไม่ได้หลอกคุณไม่ได้เป็นอามิตรมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรจ้างคุณนะคุณจะได้ลาบ ส, สูงก็ไม่ จะบอกว่าจะบอกว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งหลอกก็มีนิพพานน่นหลอกคุณถ้าจะว่าหลอกนะจะหลอกเยอจะจริงก็ตามใจคุณนะจะมีนิพพานจะมีความสบายเบาว่างกิเลสหลุดตรงไปแล้วจะเป็นของคุณคุณก็มาพิสูจน์สิจริงไม่จริงแล้วจะบอกว่าหลอกก็เอาไอ้นี่หลอกแล้วนิพพานมีเป้ามีแก่นคืออะไรสุญญตาแก่นศูนย์นะคุณจะมาเอาอะไรมาเอาศูนย์จะว่าหลอกก็หลอกจะว่าไม่หลอกก็ไม่หลอกนี่โวหารประว่าไป ก็แล้วแต่คุณมาเอาศูนย์น่ะไม่ได้หลอกคุณนะที่จริงก็บอกคุณตรงๆเ ง, งี้ยไม่ได้หลอกนี่จะบอกว่าคุณถูกหลอกที่เอานิพานหลอกลนิพานก็ศูนย์น่ะมาลดมาละมามากน้อยมาหมดเนื้อหมดตัวมาเป็นคนขยันมันเพียรสร้างสารรค์ช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเราเกือ้อกูลพอเราอยู่ได้เท่านั้นเองก็ไม่ต้องอยากต้องเย็นอะไรไม่มีไม่มีกินก็เกือ้อกูลกันกินช่วยเหลือกันไปทํากันไปคนลกิจคนละการมีงานมีการกันกัคนนั้นทำนํำนาทีหุงหาอาหารก็ทําไปคนนี้จะทำมันนนสร้างอันนี้ก็ทําไป คนไหนมีกิจมีการอะไรพอทําก็ทำกันไปชีวิตก็แขกกินแค่อยู่แค่หลับแค่นอนแม้แต่โลกมันเดือดร้อนหนึ่งคนจะล้นโลกเราก็มีมาตรการที่จะลดสิ่งเหล่านี้อย่างอย่างชัดแจ้งขณะทุกวันนี้นี่เรามีมาตรการนึกขนาดว่ามันนั่งจีบกันทําไมเดี๋ยวนี้เขาลดแล้วไอ้คนมันลดจะล้นโลกมีแต่มันลดกรรมลดกําหนัดลดราคะไม่ต้องผสมสูตรก็หลอกปล่อยให้หนู่นนะพวกชาวมิตรละขะเข้านีา่ยนะเขาผสมกันออกมา แล้วเราก็ไปเก็บคนพวกนั้นนะํามาเลีย้ยงมาปรับปรุงมาพัฒนาขึ้นมาให้เป็นอริยกะอีกทีหนึงเหลือแหล่ไปเลยจะต้องไปสร้างทําไมเล่าไม่ต้องสร้างแร้วมันล้นโลกอยู่แล้วจะไปสร้างทําไมเรามีเศรษฐกิจมีเศรษฐศาสตร์นะไอเรื่องมันล้นๆ้นอยู่แล้ ว, ลวเราเรามาทําเพิ่มทําไมเพราะนอกนั้นเราก็ทําไม่พออยู่แล้วถึงแม้ว่าคุณจะผลิตลูกออกมานี่คุณรับรองว่าลูกคุณจะดีกว่าลูกเขาไม่แน่บางทีขาเป๋ขาหักตาบอดออกมาก็ะไดคุณได้ไปรับรองได้ยังไงวิบากใครวิบากมัน มันจะต้องฉลาดเฉริญมันจะต้องอย่างนู้นอย่างงี้ไม่จริงอ่ะเลือกเอาสิอยู่เรื่องนอกนะั้นเลือกได้ด้วยเรามีมาตรการคัดเลือกเอามาเนี่ยเอามาคัดเอามาเป็นชาวอริยกะคัดได้ไม่ต้องไปเอาอยัางขนูบอดตาหนวกขาเป๊อะไรก็ไม่ต้องเอาก็ได้นี่ก็เรามีสิทธิ์เลือกอ่ะนะจะฉลาดมากฉลาดน้อยจะเข้าทางทำมีภูมิธรรมได้ยังไงเย<อ>ไปที่จะเห็นเลือกเราเก่งกัแล้วกัน มีนโยบายมีวิธีการที่จะให้คนดีเหล่านั้นเขาาจับติดเออคนดีเขาก็มีปฏิภาณดีรู้ว่านี่สิ่งดีเขาก็มาเอาสิ่งดีเมื่อมาเอาสิ่งดีเอามาเอาเราก็สอนเขาอบรมเขาบำรุงเขาเขาก็มาเป็นคนดีเหมือนอย่างพวกคุณนั่นแหละเมื่อพวกคุณเองคุณเห็นว่าไอ้นี่ดีคุณก็มาเอาของคุณเองจะว่าอ่อยเยือก็อ่อยไม่ใช่อ่อยหรอกเราก็บอกว่าเรานี่ดีนะดีนะคุณเอามั้ยคุณก็แสวงหาปัญญาของคนเป็นของคนของใครก็ของใครก็มาพบเอามาเห็นเอามาเลือกเอา เมื่อคุณมาเลือกเอาแล้วคุณก็มาเอาจะมาเอาอย่างนี้ไม่ได้ซ่อนเร้นไม่ได้ปกปิดไม่ได้อำพลางพูดกันให้เกลี้ยงพูดกันให้ขาวสะอาดพูดกันให้กระจัดกระจ่างไม่ต้องไปพลางไม่ต้องไปซ่อนไม่ต้องไปมีอะไรมันไม่เห็นไม่รู้ไม่เอาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจให้ละเอียดและมันง่ายจะเอาไม่เอาเอาก็มาไม่มีอะไรจะต้องมาแก้ตัวทีหลังเพราะว่าเราบอกกันตรงๆบอกหมด ไม่ได้พรางไม่ได้ซ่อนทีหลังจะมาพูดอะไรกันอีกไม่ได้เพราะฉัอาตมามั่นใจว่าอาตมาทํางานอยู่อย่างโดยระบบแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยพวกคุณจะไปตีหลักที่หลังอาตมาบอกว่าเอยมาซุกมาซ่อนมาหลอกมาล่ออย่างงบนอย่างนี้เพื่อ น, นั้นเพื่อ น, นี้ให้แกตัวเองงบนอย่างนี้ บ, งบงังบัพงพังพลางเอาไว้มีเหลี่ยมว่าอาตมาไม่ได้อาตมาว่าว่าอาตมาไม่ได้นะเพราะอาตมาไม่ได้มีจิตอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะทําให้สะอาดจริงๆ เก่งเท่านี้แหละอาตมาทําให้สะอาดได้เท่านี้ก็เก่งเท่านี้สะอาดได้กว่านี้อาตมาจะทําโปได้กว่านี้จะโปนั่นแหะเปิดเผยได้หมดเกลี้ยงไม่เหลือได้เท่าใดจะเปิดจะเปิดเผยให้เกลี้ยงที่สุดไม่รู้จะไปพรางไว้ทําไมไปพรางไว้ให้เป็นชนักของตัวเองให้เขามาตีย้อนทีหลังได้นี่ซ่อนบังเอาไว้นี่มีเหลี่ยมคูนี่เพื่อตัวเองส่วนนั้นส่วนนี้เรื่องอะไร อตาตมาว่าอตาตมาไม่งโฮนะที่จะไปพลางไอ้สิ่งที่เขาจะต้องมาตีย้อนเราได้ทีหลังมันตลบหลังเล่นงานเราเรื่องอะไรน้อจึงแสดงแล้วเปิดเผยหรือบอกออกไปนี่อตาตมาฉลาดเท่านี้บอกแล้วฉลาดเท่านี้ก็เปิดเผยกันเท่านี้ฉลาดได้มากกว่านี้จะเปิดเผยกว่านี้ให้ไม่ให้หมือมีอะไรซ่อนบังพลางเลยให้เห็นจริงเห็นชัดจะเอาไม่เอาก็คุณเลือกเองอิสระเสรีภาพถ้าเอาก็มาแล้วก็มาทําให้ได้อย่างที่ว่านี้กัน ได้มากได้น้อยมันก็เป็นไปหลักมันไม่ใช่ของง่ายนักที่เราจะเลื่อนชั้นตัวเองขึ้นไปสู่สภาพที่เป็นมนุษย์พัฒนาเป็นมนุษย์อีกชั้นหนึ่งถึงโลกเนี่ยพยายามพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆให้มีมนุษย์ที่จะทำให้เกิดสันติสุขเกิดคุณค่าประโยชน์เมื่อเป็นมนุษย์เราก็ควรเป็นประโยชน์เราก็มาม า, มากันต่อไปเราก็จะเป็นคนขยันสร้างสรรค์เทคโนโลยีเราก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ สร้างสิ่งที่ควรสร้างตามหลักเศรษฐศาสตร์อะไรที่ไม่ควรสร้างเฟอ้อแล้วเกินแล้วไม่ดิบไม่ดีเราก็หยุดทําสิ่งที่ดีสิ่งที่จําเป็นจะยังไม่เก่งก็ไม่ว่าบอกแล้วว่าแม้เราจะยังไม่เก่งเท่าเขาแต่เราก็ผลาญ น, น้อยมึงก็อุ ด, ดมยืนยันนะพ่อเราอุ ด, ดมนี่วันวนหนึ่งที่เนั่งกินข้าวก็อยู่ที่นี่เนี่ยไม่เห็นควักเงินจากคงครังมาซื้อสั ก, กบาทเลยเนี่ยคนนั้นก็ทําบุญมาคนนั้นบัางคนนี้บัางของคนนี้มัางก็กินก็อยู่อย่างนี้อย่างพี่อย่างน้อง จะเรียกว่ามาบุญมาทําบุญมันก็บุญจริงๆคุณทํามาก็เผื่อแผ่เกื้อกูลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือให้คนนั้นคนนี้ได้อยู่ได้กินมันเป็นบาปตรงไหนแล้วะตอบอาตมาหน่อยสิคุณเอาข้าวเอาน้ําให้คนกินนะเอาข้าวให้หมากินยังได้บุญเลยเนี่ยเอาข้าวเอาน้ำไม่ให้คนกิ น, กนเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่คนเลวอะไรด้วยก็เป็นคนดีนี่มันไม่ได้บุญตรงไหนคนดีด้วยยิ่งเป็นอริยะด้วยเป็นโสดาทําบุญกับโสดาได้บุญมากกว่าทําบุญกับ ธรรมดาทำบุญกับสกิทาได้บุญมากกว่าทำกับ โ, โสดาทำบุญกับอนาคาได้มากกว่าทำกับสกิทาโสดาอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็กตัดความจริงนะท่านตัดสอนพูดความจริงไว้นั้นผิดตรงไหนคุณให้ข้าวหมากินก็เป็นบุญแต่คุณให้ข้าวคนที่ดีกว่าหมากินมันได้บุญมากกว่าให้ข้าวหมากินนี่ไม่ใช่ว่าไปพูดให้หมาขาดรายได้หรอกพูดความจริง ใช่ไหมก็หมามันจะไมมีประโยชน์อะไรนักหนานะถ้าเผื่อว่าคุณเจอหมาก็เจอคนเอ้ยคนก็จะตายแล้วหิวข้าวไอ้หมาก็จะตายแล้วคุณควรจะให้หมาก่อนคนเหรก็ต้องให้คนก่อนหมามาคนมันควรจะมีประโยชน์กว่าหมาใช่ไหมมันก็ธรรมดาสามัญอย่างนี้เป็นต้นเพราะการมาให้ข้าวให้น้ำคนกินอยู่เนี่ยก็เรียกกันด้วยภาษาเนี่ว่าบุญมันไม่บุญยังไงมันคุณมันค่าอยู่ชัดๆอยู่แล้วพิสูจน์กันเดี๋ยวนี้พูดกันเดี๋ยวนี้ก็รู้เรื่องเป็นบุญเป็น คุณธรรมเป็นอะไรจริงๆอยู่ในตัวของมันเองเลยทั้งโลกก็พูดกันได้ทั้งคดีทรรที่ลึกซึ้งแม้จะเป็นอจินไตยลึกไม่ออกเลยว่านี่เป็นบุญบารมีที่เราสะสมกระทำจริงเราไม่ได้แลกค่าตอบแทนคืนมาให้มันเป็นเจ้าเป็นเจ้งอะไรแล้วมันก็เป็นบุญของเราจริงๆอยู่นั่นนี่ไม่ต้องไปมีใครลกลงบัญชีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปจ้างสุวรรณไปลงแผ่นทองคําก็ได้มันก็เป็นบุญอยู่แล้วกรรมเป็นอันธรรมถ้าเราเข้าใจด้วยสัจธรรมเข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่ง ไม่เห็นมีหน้าลึกลับอะไรนี่เป็นการพิสูจน์ม่ไหมว่าเราอยู่ได้บริษัทนี้กินอยู่ใช้สอยเพราะเราไม่ผานไม่พลาเราตัดความผานพล า, พลาออกไปมีแต่สาระสาระต่าจึงพอกินพอใช้เนี่ยบริษัทนี้มีคนนั่งกินนั่งอยู่กันเป็นวันวันวนึงเป็นรอยรอย่างนี้ก็บริษัทมีเลี้ยงง่ายนี่เขาหลักของวุฒิเจ้าเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุง ง, ง่าย มานั่งให้เทศให้วาให้สวดให้ดา่าทุกวันทุกวันทุก ว, นกวนันก็ดีนี่นะมันก็จะเดิญพัฒนาขึ้นไปเห็นไหมเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมาเข้าใจนะเศรษฐศาสตร์แบบกระดุมพีเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกอาตมาเข้าใจแต่อย่างนี้อยู่กันไปแล้วก็ต้องฆ่าแกงกันต้องฆ่าแกงกันขอยืนยันช้าไม่ได้มันยังกุมมาทอบแดด มันรอนมันร้อนมันรีบมันรู้ลาบากลาบนนี่แหละแบบเนี้ยอย่างเศรษฐกิจญี่ปุ่นเศรษฐกิจนิวยอร์ก่เงี้ยมันเหมือนหมาหอบแดดมันท้าไม่ได้มันก็ต้องทำอยู่งั้นน่ะโอ้ไม่ไหวฮะนะไม่ไหวไม่มีเวลาจะมาฟังเทศฟังธรรมมีเวลาจะรีแลกซ์อะของเราบ้างพอสมควร ถ้ามีเวลามีโอกาสและอุดมสมบูรณ์ที่เหลือก็จะมีเวลาเป่าขลุยด้วยจะมีเวลาเป่าคลุยเซนไม่ต้องเอาขลุยเพลงหนังนะและไม่จาเป็นจะต้องไปเป่าบนหลังควายด้วยไม่ต้องตกลงมามีเวลาเป่าคลุยเพลงเซนด้วยเราไม่ต้องหมากก็ได้แบบแค่เพลงเซนไปตามอารมณ์ตามสบายไม่ต้องมีเมโลดี้ เปล่าไปด้วยอิสระเสรีภาพไม่ต้องมาบังคับว่าจะต้องเอาเมโลดี้แหมโดเลยมีฟาซอนมาเรียงแถวต้องตามตัวโน้ตไม่ต้องนี่แหละเพราะเป็นวิญญาณอิสระเสรีสบายไม่ใช่เปล่าเพื่อเร่งเร่าให้คนไปตีกันอ๋อต้องเปล่าเพลงรุกเร่งเร่าไปตีกันเปล่าเพลงก็จะต้องบกเวกบกเวกกลบเกลื่อนไอ้ทิมมันกําลังทุกข์อย่างเพลงสมัยใหม่นี่มันเพลงกลบเกลื่อนเอาเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจมาหาเอาเธอแกทุกข์ จะไปทุกเลยมาสนใจนี่ข้าจะโบกเวรให้ฟังมันก็ลองโบกเวรแก้ขัดไปอย่างงั้นเองให้ต้องดังแรงพอที่จะดึงความสนใจจากไอ้ที่วุ่นวายโลกนมาได้ชั่วคราวพอหยุดร้องเมื่อไหร่มันก็หาวิ่งเข้าไปหาไอ้ทุกข์นั้นอย่างเก่ามันเป็นการแก้ขัดของสังคมชั่วเดี๋ยวชั่วดาวเป็นการบําบัดมันไม่ประสิทธิภาพอะไรร่องเราใช้บ้างเมื่อเขาติดเสียงเพลงแล้วก็มีธรรมคีตะอะไรเล็กน้อยเพื่ออาศัย แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้องมีมากเรารู้ว่าเราไม่ต้องใช้ก็ได้หรือจะใช้ก็สําหรับขั้นตอนผู้ที่ยังอาศัยและน้อยลงสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ว่าแม้แต่ดนตรีกแบบดนตรีธรรมชาติดนตรีอิสระเสรีไม่ต้องไปผูกไปเร่งรัดไม่ต้องไปบอกคนนี้แต่งเก่งคนนี้แต่งอย่างง้นอย่างงี้เป็นศิลปะที่ต้องขมต้องขีกันอาตมาเข้าใจอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะอาตมามันคอมโพสเซอร์มาแท้ๆแต่มาจะไปกลัวอะไร อาตมาก็คือนักแต่งเพลงตรงๆอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยอาตมาทำได้เข้าใจ น, นี่ก็เอามาประกอบอธิบายให้คุณฟังว่าเราจะเจริญต่อไปในอนาคตนั้นนะเราเป็นอริยกะเป็นชาวอารยะชนที่เราจะต้องรู้ทฤษฎีรู้หลักการสำคัญในว่าเราเกิดมาคุณค่าความดีงามหรือความประเสริฐของมนุษย์คืออะไรแล้ว เ, เราเกิดมาทาไมเราเกิดมาก็ทางานสร้างสรรนี่แหละ มีฝีมือมีสมรรถภาพมีความขยันหมันเพียรสร้างสรรค์สรีระร่างกายของเราก็สมบูรณ์แม้แก่เท่าก็ยังมีฝีมืออยู่ได้กําลังวังชาถดถอยไปบ้างก็ทําได้เ ท, ท่าทีดได้คนหนุ่มคนแน่นตั้งแต่เด็กทําได้สูงขึ้นมาหนุ่มแน่นมีกําลังวังชาดีขึ้นตามอาตามอายุตามาขั้นตอนของฐานนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้น แล้วเราก็เสริมหนุนสร้างสรรค์กันไปคนแก่คนเท่าก็ช่วยดูแลกันคนนี้สมรรถภาพอ่อนลงไปแล้วแย่ลงไปแล้วก็ทำน้อยน่อยปรเดี๋ยวมันก็จะแย่ยับเยินลงไปก็เอาก็ปล่อยให้ทำเล็กน้อยลงถึงแม้จะขยันก็บอกเอาหนะ้าหยุดเถอะควรทำแต่พอประมาณ น, นนี่ไปก็จะได้อยู่ด้วยกันนานๆไปพวกเราอายุจะยืนนะ อาตมามั่นใจนะว่าพวกเราเมื่อจัดสมดุลอะไรตัวได้ดีแล้วเนี่ยอายุจะยืนเพราะสุขภาพร่างกายการกินการอยู่การสร้างสรรค์ทำงานออกกำลังกายสรีระหมุนเวียนเป็นไปเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างสมดุลนละแข็งแรงมีมีสิ่งที่ไม่บกพร่องอะไรได้ มันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราอยากอายุยืนถ้าอายุยืนแล้วก็เกเลเอ้อายุยืนแล้วก็สติก็ฟันเฟือนไอนู้นนก็สุดไอ้นี่ก็ทรงต้องเป็นภาระกันวุ่นวายเดือดร้อนไ อ, อ้ยังงั้นมันยิ่งทุกข์แต่พวกเราเนี่ยจะอยู่กันอย่างแข็งแรงแล้วก็สงบสงัดดีมีความช่วยเหลือตัวเองได้มากไม่ออเสาะไม่มีกําลังใจสูงแก่แล้วก็ช่วยตัวเองภากเพียรที่จะไม่ให้เป็นภาระคนนั้นคนนี้ไม่มีอัตราตัวตน ขี่อเสาะงองแงคนนั้นต้องคอยมาประคบประงมมือนอย่างที่เขาเป็นกันอยู่เนี่ยคนแก่ๆแล้วต้องคอยมีคนดูแลต้องคอยมาขยันงอนอย่างนี้ปัจจีปัจจอแบบรัฐิวัฒนธรรมคนโลกไม่เอา้าคนแก่ก็แข็งแรงช่วยตนเองให้ได้มากแต่ก็ไม่จะแอ๊กเกินไปละ่ะมันช่วยตัวเองก็จะไม่ได้อยากจะทําทให้ตายไวไอ้นี่ก็เกินมันแอ๊กเกินก็อย่ารู้อย่าอย่าไปทำนะมันเกินไป แกก็ทํเพาะสุขคนของตนคนอื่นเขาบอกว่ า, เอา เ, อาเอาเท่าน้าเอาเท่านี้ทำเท่านี้ก็เอาเขานั้นแต่เราใจจริงเราจะไม่เป็นคนที่จะอ้อสาะอะไรเกินการเราจะช่วยตนก่อนช่วยตนไม่ได้เราก็ยินดีที่จะให้คนอื่นบริการช่วยเหลือเฟือไฟซึ่งในสังคมมนุษย์มันต้องมีการบริการกันมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่เป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ สัตว์โลกธรรมดาสัตว์เดรัจฉานมันทำไม่เก่งแล้วมันทำไม่ได้แต่คนนี่ทำได้อย่างเก่งทำได้อย่างดีเราก็ต้องเป็นความดี น, นี้ของคนมนุษย์ไม่มีความดีอันนี้ก็พังอะโลกตัวใครตัวมันจะแก่จะเท่าอย่างอย่างยุโรปเขาอะอย่างอเมริกาก็ตามพ่อแม่จะเป็นจะตายบางทีพ่อแม่อยู่คนเดียวที่บ้านตายเน่าไปตั้งสามวันหวันขึ้นอื่นแล้วยังไม่มีใครรู้เลยไอ้ลุงเต่าไปไหนก็ไม่รู้ ไปเอาวัฒนธรรมแบบสัตว์ในดิฉ า, านอย่างหนึง่งคือพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วพอสมควรก็ไปตัดปล่อยนี่วัฒนธรรมแบบเดราิฉานอย่างหนึง่งซึ่งเดิฉ า, านทำอย่างนั้นจริงๆเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเขากลัางั้นเหมือนกันนะพอโตแล้วปล่อยไปไม่ต้องเกี่ยวแล้วลูกก็ไม่มีการตันอยูก่กตเวทีไม่มาดูแลพ่อแม่ไม่ช่วยเหลือเฟือไฟนี่มันได้อันหนึง่งแต่มันขาดอีกอันหนึง่งแต่ของเรานี่ลูกก็จะรู้จักโต วัฒนธรรมลูกรู้จักโตพ่อแม่รู้ว่าเออนี่ปล่อยเขาซะเดี๋ยวนี้มันก็จององแงขนาดลูกเป็นอธิบดีแล้วเป็นไงลูกโอ้ยนี่ช่วยคิดช่วยอะไรปวดโถยนั่งเฉยเฉยแต่แม่แก่แล้วลูกเป็นอธิบดีแล้วมีคนในปกครองดูแลมีปัญญาตั้งเยอะตั้งแยะไม่เจียมตนน่ยจะเก่งมันแก่ก็จะเก่งอยู่ อ, อย่างเก่าะตัวแก่แล้วตัวก็เอาหนะาจะแนะนํ า, าก็แนะนาเล็กน้อยเขาแข็งแรงเขารู้แล้วช่วยตนได้แล้วช่วยควนอื่นได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะ ก็จองอไงก็ี้จะเป็นแม่มาตลอดชาติจะใหญ่ตลอดชาติใหญ่อีกอย่างหนึง่งใหญ่ที่ลูกเขาจะเคารพนับถือบูชายกย่องอมันก็มีซับซ้อนอยู่อย่างนี้นะ ว, นวัฒนธรรมของเราชาวเอเชียเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่เกื้อกูลเลี้ยงลูกพ่อแม่ก็รู้จักเลี้ยงลูกเขาจะรู้จักโตแล้วลูกตาก็เลี้ยงพ่อแม่ก็รู้จักตาย ตายแล้วก็ไปทําจารีประเพณียําแย่อะไรให้ถูกเขาหลอกกินไปอีกเยอะแยะอีกก็ไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันแล้วก็จะมานั่งเศร้าสศงอยู่ก็ไม่เอาพ่อแม่ตายก็ตายอะไรดีของพ่อแม่เอามาไว้ทรงไว้ซึ่งความดีที่พ่อแม่เราได้ทําทําให้ดีขึ้นไปอีกดีกว่าก็ได้ไม่เป็นไรทําดีกว่ายิ่งดีแต่สิ่งใดที่ชั่วไม่ต้องไปคนขึ้นมาพ่อแม่เราตายไปแล้วทําสิ่งชั่วเขลืมไปเลยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนี่เราให้พ่อแม่ทําสิ่งที่ชั่วนั้นไม่ได้ ให้เลิกไม่ได้เราก็ต้องแล้ ว, วไปถ้าเราช่วยได้หยุดเถอะพ่อแม่อย่าทํำเลยสิ่งชัว่วนี้ช่วยได้ช่วยตั้งแต่เป็นๆนี่ตายไปแล้วไปช่วยได้ไงตายไปแล้วไม่ให้ทําชั่วไปได้ไงตายไปแล้วก็ต้องเลิกแล้วผมก็ตั้งแต่เป็นๆ น, นี่แหละไม่ให้พ่อแม่ทําชัว่วทํากรรมก็อยู่ที่ตอนเป็นนี่แหละตายไปแล้วก็ชั่วก็ไปนรกเท่านั้นเองดีก็ไปสวรรค์เท่านั้นเอง ก็ไปตามชั่วตามดีพอตายไปแล้วพ่อแม่แตะก่อนนี้แหมทำชั่วไว้ตอนเป็นๆแย่เหลือเกินอุย้ยส่งบุญไปให้มาโถพระ พ, พุทธเจ้าสอนที่ไหนพ่อแม่ทำชั่วแล้วก็ส่งบุญไปให้เพื่อจะไปแก้ไขวยว่าพ่อแม่ที่ตายไปนั่นเป็นช่วยเหลือพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นที่ไหนพระเจ้าสอนกคำใครคำมันใครทำชั่วกว่ชั่วใก็ทำดีกวดีเพราะงั้นสอนกันบอกกันจะสอนพ่อแม่มันยากตัวเองดีจริงหรือเปล่าถูกต้องจริงหรือเปล่า ไอ้นี่ก็สําคัญเราถ้าตัวเองไม่ได้ดีจริงไมไ่ถูกจริงแล้วจะไปสอนพ่อแม่เออมันจะไปเข้าเรื่องอะไรตัวเองต้องดีจริงๆจนพ่อแม่เห็นจริงยอมรับเลยมีคนยอมรับนับถืออย่างมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพ่อแม่ต้องยอมรับพ่อต้องให้สอนสุดท้ายพ่อเขาเป็นพระ อ, อรหันต์อย่างนี้เป็นต้นในอย่างนี้จะให้มันถึงขั้นอย่างนี้หรือแม้แต่พระอริยะสาวกก็มีสอนพ่อแม่ได้พราะสารีบุญยังก่อนตายก็ยังต้องไปสอนแม่ให้เป็นโสดาบันก่อนตายอย่างนี้เป็นต้น ให้มันดีจริงเลยแล้วพ่อแม่ก็ต้องยอมจะดื้อด้านไปไหนแต่ไปเจอพ่อแม่ดื้อด้านก็วิบากคุณก็แล้วกันแม่คุณจะเก่งจะดีพ่อแม่ก็ไม่ยอมก็วิบากคุณก็แล้วกันก็ช่วยกันไม่ได้ก็วิบากพ่อแม่ด้วยนั่นแหละพ่อแม่อยากดื้อเองมีกิเลสมาหนาไอ้ลูกดีจริงๆแล้วนะคนอื่นเขก็ยอมรับนับถือแต่พ่อแม่ก็ยังพ่อแม่ข่าพ่อแม่เว้ยยังสูงอยู่จนเองตั้งแที่ภูมิธรรมด้อยกับลูกอย่างนี้เป็นต้นก็คือไม่รู้ความจริง ถ้าพ่อแม่มีปัญญาปฏิาพาณเขาต้องรู้ว่าเออลูกเหนือกว่าจริงๆนั่นต้องยอมให้ลูกช่วยเหลือเฟื้อไฟในด้านนี้มันก็จเจริญก็ไปได้การสังสมภูมิมดธรมขึ้นไปเป็นชาติชาติชาติชาติชาตินี่มันซ้อนอย่างนี้สังสมขึ้นไปได้มันต้องค่อยๆทำๆๆํำในระบบข่าววเจ้ารย์มีอีกมากอาตมา ก, ก็ค่อยๆขยายวันนี้ก็ขยายอะไรออกมาถ้าฟังดีๆก็จะได้รับรู้สัจธรรมข่าววเจ้าว่ามันมีซับซ้อนลึกซึ้งอย่างที่วานนี้อีกเหลือหลาย แล้วก็ช่วยกันไปต่างพัฒนากันไปไม่ต้องไปเอาที่ว่าจะต้องเป็นลูกพอ่อลูกแม่ที่คลอดตามกันออกมาเท่านั้นเราเป็นพี่น้องกันทั้งหมดไม่ว่าเชื้อใดชาติใดจะชาติเชื้อใดก็แล้วแต่ถ้าเพราะว่ามีคุณธรรมมันเป็นกลางคุณธรรมนี่มันเป็นกลางๆความดีนี่เป็นกลางๆงเมื่อมีคุณธรรมเป็นความดีที่เป็นสัจจริงจริงๆด้วยกันแล้วเอาอันนี้ช่วยกันอันนี้ใครมีมากก็ช่วยกันได้มาก ก็จึงมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพาราดรภาพเป็นพี่น้องกันด้วยคุณธรรมส่วนจะอาศัยคลอดจากคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้บ้างก็เอาละพอจะไปช่วยกันได้ก็ช่วยเราก็ไม่ว่าเราก็จะไปช่วยพ่อแม่คนนั้นคนนี้ของเพื่อนของฝูงนี่ไปช่วยกันบ้างนะถึงโอกาสคราวครั้งเราก็ไปช่วยกันขนาดว่าลูกเต้าช่วยไม่ได้กว่า เ, าเอาเพื่อนฝูงที่พ่อแม่อาจจะเชื่อบ้างก็พอได้เหมือนกันมันก็ช่วยถ้าเพราะว่าเรามีมิตร ด, ดีมวนดี เราช่วยไม่ได้ก็อาศัยผู้ที่เป็นเพื่อนเป็นสหธรรมิกที่สามารถไปช่วยพ่อเราแม่เราได้อีกก็พากันไปบ้างก็เป็นธรรมดาเนี่ยก็ยังได้ทํากันอยู่เนี่ยค่อยๆเติมขึ้นมาทัานทนที่บางทีเนี ables, ่ยจะให้พระให้เจ้าให้ผู้ที่ท่านพอได้ไปช่วยพ่อแม่บางคนก็ไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอาไม่เอาแกไปดิฉันยังไม่ค่อยยอมเลยซ้าไปนะแต่ลูกมันมาเอาแล้วแต่จะทําไงได้อะไรอย่างนี้ พ่อแม่ก็ไม่เอาเอาพวกเราไปช่วยสอนบอกว่าคนนี้เนี่ยขนาดระดับพระโพธิลักษณ์เลยว่าเขาเ ช, ชื่อกันทั้งเมืองแล้วนะเฮ้ยฉันไม่ศรัทธาพระโพธิลากษณ์ฉันก็ไม่ศรัทธา<ม>ก็จะไปทํำยังไงอืก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีภูมิปัญญาไม่มีภูมิธรรมเราพวกนี้ไม่ใช่หลงตัวนะ ว่ามันจริงๆอย่างนั้นก็เขาไม่รับก็ไม่รับแต่เราแน่ไหมว่าเรามาเอาดีจริงมาเอาดียิ่งเอาต่อไปพอแม่ไม่เอาก็ไม่เอาสิจะทําไงได้ก็เป็นปัญญาอของพ่อแม่ภูมิมธทําของพ่อแม่จริงๆและเราก็ยอมรับในส่วนหนึ่งเหมืนอนกันว่าเราไม่เก่ ง, เ ร, เ, กงเราไม่เก่งที่จะทําให้พ่อแม่เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้เราก็ยอมรับความไม่เก่งของเราเราเก่งเท่านี้จะทําไงแต่เราก็ยังแน่ใจอยู่ว่าสิ่งนี้ดีเราก็เอาก็แล้วกัน ถ้าเราเห็นว่าไม่ดีเราก็ไม่เอาและไม่ต้องพูดหรอกอันนั้นนะถ้าเราเห็นว่าดีเราก็เอาต่อไปนะเมื่อขณะนี้เรามีกิจกรรมการงานที่มันเป็นกิจกรรมของมนุษย์นี่แหละไม่ใช่อื่นเพราะงั้นจะต้องค้าต้องขายจะต้องสร้างต้องสรรอะไรมันก็ต้องทําอะไรสมควรเราก็เลือกมาทําก่อนขณะนี้เราก็มีพลพักมีงานการอยู่เท่านี้อะไรสําคัญเราก็ทํากันไปแล้วมันจะขยายงานออกไปอีกงานได้ที่มันสาคัญรองก็ค่อยตามมาทีหลังนี่เราจะทํา ต่อไปงานด้านเกษตรงานหัตถกรรมงานเครื่องใช้เครื่องสอยสิ่งอาศัยมันจะต้องค่อยๆต่อไปต่อไปแม้แต่ปลูกบ้านปลูกเรือนก็ปลูกกันเองตอนนี้เราก็ยังต้องจ้างเขาต้องอาศัยคนอื่นอพอคนรู้สัจจารแล้วไม่ต้องกลัวเราคนเราจะดีจะเก่งจะสามารถก็อยู่ที่เราสร้างสมรรถภาพเพราะงั้นสมรรถภาพจะลดไปจากมนุษย์ไม่ได้อัตมาไม่ได้ลบลบู่เทคโนโลยีไม่ได้ลบลู่สมรรถภาพไม่ได้ลบลู่ความสามารถฝีมือมนุษย์ไม่ได้ลบลู่ไม่ลบลู่ แต่คนที่สร้างโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือไดนะ้คนที่ยิ่งสร้างโดยมาอาศัยเครื่องมือได้เก่งกว่าคนที่อาศัยเครื่องมือใช่ไหมถ้าอย่างทุกวันนี้นี่นะเขาจะสร้างเขามีเครื่องมือเครนเครื่องมือยกหินยกเสาเขาซ่อมบุรโบเดอร์ไม่กี่ปีแต่สมัยโบราณไม่มีเครนไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรเครื่องทุ่นแรงเหมือนอย่างสมัยนี้บุรโบเดอร์จึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ถ้าบุรโบเดอร์เนี่ย เราฉายหนังไปแล้วบูรโรบูเดอร์เจดีที่โอ้โหมีตั้งมากมายถ้าเผื่อว่าเราสร้างบูรโรบูเดอร์ขึ้นในสมัยนี้มีเครื่องทุนแรงมีเครื่องมืองี้นะไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ที่มันมหัศจรรย์เพราะมันสร้างมาเป็นพันปีแล้วและสมัยโน้นไม่มีเครื่องมืออย่างนี้มันจึงมหัศจรรย์เพราะเขาสร้างด้วยฝีมือคนอย่างนี้ต่างหากละมันน่ารับรองฝีมือ ทุกวันนี้เครื่องมือเครื่องใช้มันเยอะแยะความสามารถในทางทใช้เครื่องทุนแรงมันจะเป็นนาฏประหลาดอะไรเพราะทุกวันนี้เราสามารถที่จะแกะสลักได้ดีไหมได้ดีเพราะเครื่องมือคุณแยะทุนแรงด้วยกล้าวกลึงให้เหมือนกันเลยทำสิบอันร้อยอันให้เหมือจะเปี๊ยเลยยังได้เลยแต่ก่อนนี้ทํามาได้ชิ้นหนึ่งโอ้โหจะทำอีกชิ้นนึงโอ้โหนานนะมันไม่มีเครื่องทุนแรงมันต้องใช้ฝีมือจริงๆนะโอ้ต้องนั่งทําของอันหนึ่งมือก็ต้องราคาแพงแล้วมันก็จะทำได้น้อยชิ้น เดี๋ยวนี้เข้าพิมพ์ปั๊มพร ว, ว, วดพวดออกมาเป็นหมื่นเลยมันจึงไม่น่าทึ่งอะไรฟังออกไหมนี่อย่างเงี้ยมันมีแต่พวกโหลของโหลง่ายแต่จริงความจเจริญทางเครื่องมือเครื่องใช้จริงเราก็ไม่ดูถูดูแคลนอะไรถ้าจําเป็นจะต้องใช้เราใช้บ้างแต่ถ้าไม่จะเป็นเราจะเอามือเราเนี่เข้าไปทําให้มากเพราะความสามารถมันอยู่ที่ฝีมือคนไม่ใช่ไปอยู่ที่เครื่องมือ มาอยู่ที่ความอุตสาหะวิริยะของคนไม่ใช่อยู่ที่เครื่องทุนแรงเร า, าเครื่องทุนแรงคุณก็อุตสาหะน้อยสิใช่ไหมใช้เครื่องทุนแรงมาใช่นี่เครื่องทุนแรงมาใช้คุณก็อุตสาหะน้อยมันไม่จะเลือดเนื้อของนมนุษย์นี่คุณจะบอกว่าปัญญาคิดเครื่องทุนแรงมาได้อ่าก็เก่งไปอีกเชิงนึงเท่านั้นนะ่ะเก่งทางเทคโนโลยีเพราะเราประกอบกันทั้งสองอย่างและสิ่งที่มันจะควรเชิดชูเขาก็ไม่ได้เชิดชูเครื่องทุนแรงเขาเชิดชูสมรรถภาพวิรยิยะอุตสาหะของคน จึงจะรักษาเลือดคนหรือความเป็นคนเอาไว้ให้นานเท่านั้นถ้ามันเก่งในเครื่องมืออีกหน่อยเป็นแต่พวกกดปุ่มอีกหน่อยมันก็ลือมันไม่มีปัญญาจะรู้อีกหน่อยมันก็ลืมไม่หมดนั่นแหะเพราะถึงกระียุคมันจะเป็นแต่แบบนั้นเป็นมนุษย์กดปุ่มแล้วก็โง่ลงโง่ลงมันฉลาดมันเครื่องมือเป็นไปแล้วมันเป็นไปแล้วเราก็เท่านั้นเองต่อไปมันก็ลืมมันก็เรือเพราะเครื่องมือพังแล้วมันจะไปเอาอะไรมาไม่ได้แต่ถ้ามันไปรู้อยู่ที่คน ฝีมืออยู่ที่คนถ่ายทอดอยู่ได้นะสิ่งนี้อยู่นานสิ่งนี้อยู่นานนะเครื่องมือมันพังไวกว่าการถ่ายทอดคนต่อคนอยังทํานาเนี่ยบรรทายทอดกันมาตลอดเวลาไม่รู้ช่วนาตาปีไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นทัวกี่รุ่นเพราะมันอยู่ที่ฝีมือคนอเดี๋ยวนี้ก็เอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาทดแทนพวกเด็กๆทําไม่เคยเป็นแล้วมันไม่ได้สร้างฝีมือมาตั้งแต่น้อยแต่ออกแต่ออดอ้ อ, อ เพราะชาวนาเดี๋ยนี้อีกหน่อยมันก็เลิกทํานากันเดี๋ยวทำนาไม่เป็นแล้วไม่ใช้เครื่องมือดิ้งเครื่องมือพังไปเลยหมดเครื่องมือหยุดหยุดเลยเดีนี้เซ็จอย่างนี้เป็นต้นอาตมาอธิบายนี่ยังไม่ละเอียดพอจะรู้สึกว่ายังระบายอธิบายไปยังพอมันยังค้างๆอยู่หน่อยแต่เอาละอธิบายได้แค่นี้เอาละสําหรับวันนี้ก็คิดว่าได้สาธยายอะไรบอกอะไรจะอะไรกันเป็นเนื้อหาสาระพอสมควร ถ้ามั่นใจเพราะคุณก็เป็นไปดีจริงถ้าไม่มั่นใจมันก็หล่ะแหลอยู่ถ้ามันแน่ใจมั่นใจมันดีคุณก็พัฒนาตนเองยังเหลือแต่ว่าเราต้องเข็นตัวเองเรารู้แสนรู้แต่เรายังขี้เกียจอยู่ก็เข็นตัวเองเท่านั้นเองพอขยันขึ้นอะไรขึ้นมันก็ชินมันก็ชำนานมันก็มีฝีมือมันก็มีอะไรซับซ้อนทำให้เราเองเป็นคุณเป็นค่าขึ้นไปได้จริงมันก่อนจะตายก็สะสมบุญ เงี้ยพวเรามีคุณค่าสร้างสรรค์เป็นไปไม่เจ้าไม่เจ้งมันก็จะมีแต่จะได้เท่านั้นเองก็ได้บุญได้คุณได้ค่าโดยทำไม่ต้องมาหอบหามด้วยไม่ต้องมากอบโกยสะสมเอาไว้อวดอ่าคนอื่นด้วยมันเป็นไปตามธรรมสุวรรณนายสุวรรณเขจดลงแผ่นทองคําเองไม่ต้องไปจ้างด้วยทำไปจดกันายสุวรรณน่ะขบฏต่ออาชีพต่อหน้าที่นายสุวรรณจดลงแผ่นทองคําส่วนนายสุวรรณก็จดลงไปในหนังหมา เมื่อคุณจะให้จดไปในหนังหมาหรือจดให้แผ่นทองคำก็เป็นจริงนั่เป็นปุคลาธิฐานกรรมเป็นอนันธรรมทําชั่วก็บันทึกลงไปเป็นชั่วทําดีก็บันทึกลงไปเป็นดีไม่ต้องไปมีอะไรมากของดีก็บันทึกดีของชั่วบันทึกชั่วตามกรรมกรรมเป็นอนันธรรมทำปุ๊บเสร็จปุ๊บไม่ต้องรอสุวรรณสุวรรณจดก็จริงนี่เป็นสัจจคุณเข้าใจแล้วไม่ต้องมีปัญหาเลยเขาจะทํามาเป็นปุคลาธิฐานเป็นชั้นเป็นเชิงเพื่อที่จะอธิบายเราก็เข้าใจไม่เห็นประหลาดอะไร มันกุณจะดีก็ดีของคุณคุณจะชั่วก็ชั่วของคุณคุณจะมีบุญมากก็บุญมากของคุณคุณจะมีบุญน้อยก็บุญน้อยของคุณมันอยู่ที่คุณเองนะนั่นก็ทาให้ตรงทำให้จริงก็แล้วกันอ่ะอาอละมีพอ